เรื่องปุกุสะมัละบุตรก็สมัยนั้นโอรสเจ้ามัลละพระนามว่าปุกุสะเป็นสาวกของอาลาระดาบทกาละมะโคดเดินทางไกลจากกรุงคุสินาราไปกรุงปาวาเห็นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ควงไม้ต้นหนึ่งครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้ ก, กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบรรพชิตทั้งหลายย่อมอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อันสงบอย่างยิ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องมีอยู่ว่าอลาระดาบทกาละมะโคดเดินทางไกลแวะลงข้างทางที่ขวงไม้ต้นหนึ่งในที่ไม่ไกลเวลานั้นเกวียนตั้งห้าร้อยเล่ม ได้ผ่านท่านอาราธดาบทกาละมาโคตติดติดกันไปขณะนั้นบุรุษคนหนึ่งกำลังเดินตามหลังหมู่เกวียนมาเข้าไปหาท่านอารารดาบทกาละมาโคตถึงที่อยู่แล้วได้ถามท่านอารารดาบทดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านเห็นเกวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปบ้างหรือไม่ท่านอาราดาบทตอบว่าเราไม่เห็นเลยผู้มีอายุ ท่านได้ยินเสียงหรือไม่เราไม่ได้ยินผู้มีอายุท่านคงหลับกระมังเราไม่ได้หลับผู้มีอายุท่านยังมีสัญญาอยู่หรือเรายังมีอยู่ผู้มีอายุท่านยังมีสัญญาตื่นอยู่แต่ไม่ได้เห็นเขวียนตั้งห้าร้อยเล่มที่ผ่านติดติดกันไปทั้งไม่ได้ยินเสียงก็ผ้าทาบของท่านเปรื้อเปื่อนฝุ่นทุลีบ้างไหมเป็นอย่างนั้นผู้มีอายุ บุรุษนั้นมีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏบรรพชิตทั้งหลายย่อมอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อันสงบอย่างยิ่งดังที่ท่านอาราระดาบทผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่แต่ไม่เห็นเกวีตั้งห้าร้อยเล่มที่ผ่านติดติดกันไปทั้งไม่ได้ยินเสียงเขาประกาศความเลื่อมใสยอย่างยิ่งในท่านอาราระดาบทกาลามโคตแล้วจากไป พระผู้มีพระภาคตรัสถามปุกุสะว่าปุกกุสะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรอย่างไหนทำได้ยากกว่ากันเกิดขึ้นได้ยากกว่ากันระหว่างผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่ไม่เห็นเกวีตั้งห้าร้อยเล่มที่ผ่านติดติดกันไปทั้งไม่ได้ยินเสียงกับผู้ที่ยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกาลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ ก็ไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินเสียงปุกุสะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเกวียนห้าร้อยเล่มหกร้อยเล่มเจ็ดร้อยเล่มแปดร้อยเล่มเก้าร้อยเล่มพันเล่มและถึงเกวียนแสนเล่มจะเปรียบกันได้อย่างไรแท้จริงผู้ที่ยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ ก็ไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้แหละทำได้ยากกว่าและเกิดขึ้นได้ยากกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุ ก, กุสะคราวหนึ่งเราพักอยู่ที่โรงกระเดื่องเขตกรุงอาตุมาเวลานั้นฝนกาลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ชาวนาสองคนพี่น้องและโคงานสี่ตัวถูกฟ้าผ่าใกล้โรงกระเดื่องขณะนั้น หมู่มหาชนในกรุงอาตุมาออกไปมุงดูชาวนาสองคนพี่น้องและโคงานสีตัวที่ถูกฟ้าผ่าเราออกจากโรงกระเดื่องจงกลมอยู่ที่กลางแจ้งใกล้ประตูโรงกระเดื่องบุรุษคนหนึ่งออกมาจากหมู่มหาชนเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ได้ไหว้เรายืนณที่สมควรเราได้ถามบุรุษนั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุหมู่มหาชนนั่นชุมนุมกันทําไม บุรุษนั้นตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเดี๋ยวนี้เองขณะที่ฝนกำลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ชาวนาสองคนพี่น้องและโคงงานสี่ตัวถูกฟ้าผ่ามูมหาชนชุมนุมกันเพราะเหตุนี้ท่านไปอยู่เสียที่ไหนเล่าเราตอบว่าเราก็อยู่ที่นี้แหละบุรุษนั้นถามว่าท่านเห็นหรือไม่ เราตอบว่าเราไม่เห็นเลยผู้มีอายุบุรุษนั้นถามว่าท่านได้ยินเสียงหรือไม่เราตอบ hmm. ว่าเราไม่ได้ยินผู้มีอายุบุรุษนั้นถามว่าท่านคงหลับกระมังเราตอบว่าเราไม่ได้หลับผู้มีอายุบุรุษนั้นถามว่าท่านยังมีสัญญาอยู่หรือเราตอบว่าเรายังมีอยู่ผู้มีอายุบุรุษนั้นถามว่าท่านยังมีสัญญาตื่นอยู่ ขณะฝนกําลังตกตกอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ไม่ได้เห็นและไม่ได้ยินเสียงเลยหรือเราตอบว่าเป็นอย่างนั้นผู้มีอายุบุรุษนั้นมีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้เจริญน่าอาศจรรย์จิงไม่เคยปรากฏบรรพจิตทั้งหลายย่อมอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อันสงบอย่างยิ่งดังที่ท่านสมณนะผู้ยังมีสัญญาตื่นอยู่เมื่อฝนกําลังตกตกอย่างหนัก ฟ้าแลบฟ้าผ่าอยู่ก็ไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงเลยเขาประกาศความเลื่อมใสอย่างยิ่งในเรากระทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ปุกกุสะมลระบุเดี๋ยกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโปรยความเลื่อมใสที่มีในอาราดาบทกาละมะโคดไปตามกระแสลมที่พัดแรงหรือลอยในแม่น้ำกระแสเชี่ยวพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระภาสิกของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศทำแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่่ํา เปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมกับพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตลำดับนั้นปุกุสะมัลระบุตร รับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าพนายเธอช่วยนําผ้าเนื้อละเอียดสีทองหน้าใช้คู่หนึ่งสองผืนของเรามาบุรุษนั้นรับคําแล้วนําคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองหน้าใช้คู่นั้นมาให้จากนั้นปุกุสะมัลระบุตรได้น้อมคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองหน้าใช้คู่นั้นเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคพร้อมกับกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่นี้เพื่ออนุเคราะห์ฆ่าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปุ ก, กุสะถ้าอย่างนั้นเธอจงให้เราครองผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งให้อานนท์ครองปุ ก, กุสะมัลลบรทูลรับสนองพระตํารัสแล้วถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงครองผืนหนึ่งถวายให้ท่านพระอานนท์ครองอีกผืนหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ปุกุสะมัลระบุตเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาฐานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถาลำดับนั้นปุกุสะมัลระบุตผู้อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาฐานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคถา ลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทําประทักษิณแล้วจากไปเมื่อปุกุสะมรบุตรจากไปไม่นานท่านพระอานนท์ได้น้อมคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองน่าใช้คู่นั้นเข้าไปคลุมพระวรกายของพระผู้มีพระภาคพอท่านพระอานนท์น้อมเข้าไปคลุมพระวรกายของพระผู้มีพระภาคผ้านั้นปรากฏสีเปล่งปลัง่งเหมือนฐานไฟที่ปราศจากเปลว ครั้งนั้นท่านพระอนนท์ดลืกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระชวีวันของพระตถาคตบริสุทธิ์ผุดพองยิ่งนักคู่ผ้าเนื้อละเอียดสีทองหน้าใช้คู่นี้พอข้าพระองค์น้อมเข้าไปคลุมพระวรกายของพระผู้มีพระภาคปรากฏสีเปล่งปลัง่งเหมือนทานไฟที่ปราศจากเปเลวพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อาน o n ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานน o ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นกายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ผิวพันธุ์ผุดพองอย่างยิ่งอยู่ในสองคราวกายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ผิวพันธุ์ผุดพองอย่างยิ่งอยู่ในสองคราวอะไรบ้างคือ 1. ในราตรีที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 2. ในราตรีที่ตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพานธาตุอานนท์กายของตถาคตย่อมบริสุทธิ์ผิวพันธุผุดผ่องอย่างยิ่งอยู่ในสองคราวนี้แลในปัฏิมยามแห่งราตรีวันนี้ตถาคตจะปรินิพานในระหว่างไม้สาระทั้งคู่ในสาลวันของมันละอันเป็นทางเข้าด้านทิศใต้กรุงกุสินารามาเถิดอานนท์ เราจะเข้าไปอย่างแม่น้ำกะกุธากันท่านพระอานนทุนรับสนองพระดำรัสแล้วปุ ก, กุสะน้อมถวายผ้าสีทองเนื้อละเอียดคู่หนึ่งพอพระาศาสดาทรงครองผ้าคู่นั้นมีพระชวีวันดังทองงดงามนัก ต่อมาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพิสุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จเข้าไปยังแม่น้ำกากุทาเสด็จลงสงฆ์ในแม่น้ำกากุทาทรงดืม่มแล้วเสด็จขึ้นไปยังอัมพวันรับสั่งเรียกท่านพระจุนทกะมาตรัสว่าจุนทกะเธอช่วยปูสังฆาติซ้อนกันสีชั้นเราเหน็ดเหนื่อยจะนอนพักท่านพระจุนทกะทูลรับสนองพระดํารัสแล้วปูสังฆาติซ้อนกันสีชั้น พระผู้มีพระภาคทรงสำเร็จสีหสัยยาโดยพระประัตเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะทรงกำหนดพระไทยพร้อมจะเสด็จลูกขึ้นส่วนท่านพระจุนทกะนั่งเฝ้าอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคในที่นั้นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระาศาสดาผู้ทรงเข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริงหาผู้ใดในโลกเสมอเหมือนมิได้ เสด็จถึงแม่น้ำกากุธาที่มีน้ำใสจืดสนิทสะอาดลงสงแล้วจึงทรงคลายเหน็ดเหนื่อยพระบรมศาสดาผู้ทรงพร่ำสอนแจกแจงธรรมในพระศาสนานี้เป็นผู้สแสวงหาคุณใหญ่ครั้นสงสนานและทรงดื่มน้ำแล้วก็เสด็จนำหน้ามูภิกษุไปยังอัมพวันรับสั่งภิกษุชื่อจุนทะกะมาตรัสว่า เธอช่วยปูสังฆาติซ้อนกันสี่ชั้นให้เป็นที่นอนพักแก่เราท่านพระจุนทะรูปนั้นผู้ได้รับการฝึกมาดีแล้วพอได้รับคำสั่งก็รีบปูสังฆาติซ้อนกันสี่ชั้นพระศ า, าสดาบรรทมแล้วทรงหายเหน็ดเหนื่อยฝ่ายท่านพระจุนทกะก็นั่งเฝ้าเฉพาะพระพักอยู่ในที่นั้น ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์อาจมีใครทาให้ในายจุนทะกามรบุตรร้อนใจว่าจุนทะการที่พระตถาคตเสวยบิทบาทของท่านเป็นมือสุดท้ายแล้วปรินิพานท่านจะไม่ได้อานิสงส์ความดีงามก็จะได้โดยยากอานนท์เธอพึงช่วยบรรเทาความร้อนใจของนายจุนทะกามรบุตรอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุจุนทะการที่พระตถาคตสวยบินทบาทของท่านเป็นมื้อสุดท้ายแล้วปรินิพานท่านจะได้รับอนิสงค์ความดีงามก็จะได้โดยง่ายเรื่องนี้เราได้สะดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคและจำได้ว่าบินทบาทสองคราวมีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่ามีอนิสงค์มากกว่ายิ่งกว่าบิณทบาทอื่น บินทบาทสองคราวอะไรบ้างคือ 1. นบินธบาต ท, ที่พระตถาคตเสวยแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 2. อบินธบา ท, ที่พระตถาคตเสวยแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุบินธบาสองคราวนี้มีผลเสมอกันมีวิบากเสมอกันมีผลมากกว่ามีอานิสง์มากกว่ายิ่งกว่าบินธบาตอื่นๆ คำที่จุนทะก ร, รมรบุตรสั่งสมไว้เป็นไปเพื่ออายุเป็นไปเพื่อวันณนะเป็นไปเพื่อสุขะเป็นไปเพื่อยศเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อความเป็นใหญ่อานน์เธอเพึงช่วยบรรเทาความร้อนใจของจุนทะก ร, รมรบุตรอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าผู้ให้ย่อมเพิ่มภูนบุญ ผู้สำรวมย่อมไม่ก่อเวรส่วนผู้ฉลาดย่อมละกรรมชั่วได้ผู้นั้นดับได้แล้วเพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะภาณวาระที่สี่จบ เสด็จไปยังควงไม้สาระทั้งคู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะข้ามไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ําหิรัญยวดีตรงสาลวันของพวกเจ้ามันละอันเป็นทางเข้ากรุงกุสินารากันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยพิษุสงูใหญ่ เสด็จไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรันยวดีตรงสารวันของพวกเจ้ามันละอันเป็นทางเข้ากรุงกุสินาราแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เธอช่วยตั้งเตียงระหว่างต้นสาระทั้งคู่หันด้านศีรษะไปทางทิศเหนือเราเหน็ดเหนื่อยจะนอนพักท่านพระอานนท์ทูลสนองพระดำรัสแล้วตั้งเตียงระหว่างต้นสาระทั้งคู่ หันด้านพระเศียรไปทางทิศเหนือครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสําเร็จสีหาสายยาโดยพระประัดเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะเวลานั้นต้นสาละทั้งคู่ผลิดอกนอกฤดูการบานสะพรั่งเต็มต้นดอกสาละเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคต ดอกมนทรบอันเป็นทิพก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปลายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตจุนแห่งจัน์อันเป็นทิพก็ร่วงหล่นจากอากาศโปรยปลายตกต้องพระสรีระของพระตถาคตเพื่อบูชาพระตถาคตดนตรีทิพก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาพระตถาคตทั้งสังขีทิพก็บรรเลงในอากาศ เพื่อบูชาพระตถาคตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนทมาตรัสว่าอานนท์ต้นสาระทั้งคู่ผลิดอกนอกฤดูการบานสะพรั่งเต็มต้นดอกสาระเหล่านั้นร่วงหล่นโปรยปลายตกต้องสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตดอกมณทารพบอันเป็นทิพย์ ก็ร่วงหลนจากอากาศโปรยปลายตกต้องสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตจุนแห่งจ <discourse> ัน์อันเป็นทิพก็ร่วงหลวนจากอากาศโปรยปลายตกต้องสรีระของตถาคตเพื่อบูชาตถาคตดนตรีทิพก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาตถาคตทั้งสังขีทิพก็บรรเลงในอากาศเพื่อบูชาตถาคตตถาคตจะชื่อว่า อันบริษัทสักระเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยเครื่องสักระเพียงเท่านี้ก็หาไม่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกรหรืออุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าสักระเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยการบูชาอย่างยอดเยี่ยมฉะนั้น อา n o เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปฏิบัติตามธรรมอยู่อาน o น์เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกอย่างนี้แลเรื่อง พระอุปวานเถระเวลานั้นท่านพระอุปวานะยืนถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ตรงพระพักขณะนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งท่านพระอุปวานะให้ถอยไปด้วยพระดํารัดว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราท่านพระอานนท์มีความดําริดังนี้ว่าท่านพระอุปวานนี้เคยเป็นอุปทาษ เฝ้าใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคมานานถึงกระนั้นในปัจฉิมการพระผู้มีพระภาคตรัสสั่งให้ท่านพระอุปวานะถอยไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราอะไรหนอแหลเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านพระอุปวานะถอยไปด้วยพระดารัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเรา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 ให้พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ท่านอุปวานะถอยไปด้วยพระดำรัสว่าภิกษุเธอจงหลบไปอย่ายืนตรงหน้าเราพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เทพโดยมากในสิบโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อจะเยี่ยมตถาคตสวนสารวันของผู้เจ้ามันละอันเป็นทางเข้ากรุงกุสินารานี้มีเนื้อที่12บสองโยธโดยรอบ ที่ที่พวกเทพผู้มีศัก์ใหญ่ไม่ได้เบียดเสียดกันอยู่แม้เท่าปลายขนเนื้อทายจดลงได้ก็ไม่มีพวกเทพจะโทษว่าพวกเรามาไกลก็เพื่อจะเห็นพระตถาคตมีเพียงครั้งคราวที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในปชิมยามแห่งราตรีวันนี้พระตถาคตจะปรินิพานภิกษุผู้มีศักย์ใหญ่รูปนี้ ยืนบางอยู่เบื้องหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคทำให้พวกเราไม่ได้เฝ้าพระตถาคตในปัจฉิมการท่านพระอานนทูลถามว่าพวกเทวดาเป็นอย่างไรคิดกันอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานน์มีเทวดาบางพวกเป็นผู้กาหนดแผ่นดินขึ้นบนอากาศสยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญ ลมกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่าพระผู้มีพระภาคด่วนปรินิพานพระสุคตด่วนปรินิพานเสียจากสุของโลกจากด่วนอันตรธานไปแล้วมีเทวดาบางพวกเป็นผู้กําหนดแผ่นดินขึ้นบนแผ่นดินสยายผมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนคนเท้าขาดเพ้อรำพันว่า พระผู้มีพระภาคดวนปรินิพานพระสุคตด์ดวนปรินิพานเสียจากสุของโลกจากดวนอันตรธานไปแล้วส่วนพวกเทวดาที่ไม่มีราคะมีสติสัมปชัญญะก็อดกลั้นได้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราสัตว์จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขาร น, นี้ สังเวชนิยสถานสีน่ตำบลท่านพระอานน์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาในที่ทั้งหลายมาเฝ้าพระตถาคตข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมได้พบได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จล่วงลับไปข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่ได้พบไม่ได้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลายผู้เป็นที่เจริญใจอีก พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนสังเวชนีสถานสี่แห่งนี้เป็นสถานที่เป็นศูนย์รวมที่คุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูสังเวชนีสถานสี่แห่งอะไรบ้างคือ 1. สังเวชนีสถานที่คุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตประสู์ในที่นี้ 2. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 3. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่าตถาคตทรงประกาศธรรมจากอันยอดเยี่ยมในที่นี้ 4. สังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูด้วยระลึกว่า ตถาคตได้เสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในที่นี้อานนท์สังเวชนียสถานสี่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่คุลบุตรผู้มีศรัทธาควรไปดูภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาจะมาดูด้วยระลึกว่าตถาคตประสู寿ในที่นี้ว่า ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ว่าตถาคตประกาศธรรมจากอันยอดเยี่ยมในที่นี้ว่าตถาคตได้เสด็จดับขันทปริญพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธ า, า, าตุในที่นี้อานน o ์ชน เ, เหล่าใดเหล่าหนึง่งจะเริยกไปยังเจดีจกมีจิตเลื่อมใสตายไปชนเหล่านั้นทั้งหมด หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรื่องคำถามพระอานตนท่านพระอานุนทูลถามว่าพวกข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่าดู เมื่อจำต้องดูจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าอย่าพูดด้วยเมื่อจำต้องพูดจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะต้องตั้งสติไว้ท่านพระอานนทูลถามว่าพวกข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อพระศรีระของพระตถาคตอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกเธออย่ากังวลเพื่อบูชาศรีระของตถาคต จงพยายามขนขวายทำหน้าที่ของตนเองเถิดอย่าประมาทในหน้าที่ของตนมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดกระสัผู้เป็นบัณฑิตพราหม์ผู้เป็นบัณฑิตขหบดีผู้เป็นบัณฑิตผู้เลื่อมใสในตถาคตจะทำการบูชาสริระของตถาคตเองท่านพระอานนทุนถามว่าพวกเขาพึงปฏิบัติต่อพระสริระของพระตถาคตอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงปฏิบัติต่อสรีระของตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดินั่นแหละท่านพระอานนทุลถามว่าพวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรพระพุทธเจ้าคะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพวกเขาใช้ผ้าใหม่ห่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิเสร็จแล้วจึงห่อด้วยสำลีบริสุทธ แล้วจึงห่อด้วยผ้าใหม่อีกชั้นหนึ่งทำโดยวิธีนี้จนห่อพระบรมศพของพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยผ้าและสำลีได้พันชั้นแล้วอันเชิญพระบรมศพลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันใช้รางเหล็กอีกอันหนึ่งครอบไว้ทำจิตกาทานด้วยไม้หอมล้วนแล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าจากักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจากักรพรรดิไว้ที่ทางใหญ่สีแพร่งอานนท์ พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้แลพวกเขาพึงปฏิบัติต่อสิริระของตถาคตเหมือนอย่างที่พวกเขาปฏิบัติต่อพระบรมศพพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ที่ทางใหญ่สีแพร่งชนเหล่าใดจกยกระเบียบดอกไม้ของหอมหรือจุนจากอภิวาทหรือจากทำจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานทูปาระหะบุคคลอานนทถูปาระหะบุคคลผู้ควรสร้างสถูปถวายสีจำพวกนี้ถูปาระหะบุคคลสีจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถูปาระหบุคคล 2. พระปเจกสัมพุทธเจ้าเป็นถูปาระหบุคคล 3. พระสาวกของพระตถาคตเป็นถูปาระหบุคคล 4. พระเจ้าจักรพัทเป็นถูปาระหบุคคลพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถูปาระหบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร คือชนเป็นอันมากทําจิตให้เลื่อมใสด้วยคิดว่านี้เป็นสถูปของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพวกเขาทําจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถูปรหะบุคคลเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์ข้อนี้แลพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเป็นถูปรหะบุคคล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 พระเจ้าจากักรพรรดิเป็นถูปารหาบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรคือชนเป็นอันมากทำจิตให้เลื่อมใสด้วยคิดว่านี้เป็นพระสถูตของพระธรรมราชาผู้ทรงธรรมพระองค์นั้นพวกเขาทำจิตให้เลื่อมใสในพระสถูตนั้นหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พระเจ้าจากักรพรรดิเป็นถูปารหาบุคคลเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ข้อนี้แลอานนท์ ผู้ปาราหะบุคคลสี่จำพวกนี้แหลเรื่องความเป็นอชิริยะของพระอานุ์เวลานั้นท่านพระอานต์เข้าไปสู่พระวิหารยืนเหนี่ยวไม้สลักเพชรร้องห้ายอยู่ว่าเรายังเป็นเสขาะบุคคล มีกิจที่จะต้องทำแต่พระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์เราจะปรินิพานเสียแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาตรามว่าอานนท์ไปไหนผู้พิสุกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอานนท์เข้าไปยังพระวิหารยืนเหนียวไม้สลักเพชรร้องไห้อยู่ว่าเรายังเป็นเสขาุูคลมีกิจที่จะต้องทา แต่พระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์เราจะปรินิพานเสียแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปบอกอาน o ์ตามคําเราว่าท่านอานน o ์พระศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุรูปนั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วเข้าไปหาท่านพระอานน o ์ถึงที่อยู่บอกว่าท่านอานน o ์ พระศาสดารับสั่งหาท่านท่านพระอานน์รับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระอานน์ดังนี้ว่าอย่าเลยอานน์เธออย่าเศร้าโศกอย่าคร่ำครวญเลยเราบอกไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความพลัดพลาด ค, ความทอดทิ้ง ความแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมีฉะนั้นจะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขานี้สิ่งที่เกิดขึ้นมีขึ้นถูกปัจจัยปรุงแต่งล้วนแตกสลายเป็นธรรมดาเป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปเลยเธออุปถากตถาคตมาช้านานด้วยเมตตากายกรรม อันเกื้อกูลให้เกิดสุขเสมอต้นเสมอปลายไม่มีประมาณด้วยเมตตาวจีกรรมอันเกื้อกูลให้เกิดสุขเสมอต้นเสมอปลายไม่มีประมาณด้วยเมตตามโนกรรมอันเกื้อกูลให้เกิดสุขเสมอต้นเสมอปลายไม่มีประมาณอาน o ์เธอได้ทำบุญไว้แล้วจงประกอบความเพียรเข้าเถิดเธอจะเป็นผู้สิ้นอาสวะโดยเร็ว จากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรือกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อุปถาคของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการที่จัดว่าเป็นผู้อุปถาคผู้ยอดเยี่ยมก็เหมือนอาโ น, นนของเรานี้เองภิกษุผู้อุปถาคของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการ ที่จัดว่าเป็นอุปถาผู้ยอดเยี่ยมก็เหมือนอานน์ของเรานี้เองอานน์เป็นบัณฑิตอานน์มีปัญญาหลักแหลมย่อมรู้ว่านี้เป็นเวลาของภิกษุที่จะเข้าเฝ้าพระตถาคตนี้เป็นเวลาของภิกษุณีนี้เป็นเวลาของอุบาสกนี้เป็นเวลาของอุบาสิกานี้เป็นเวลาของพระราชานี้เป็นเวลาของราชมหาอมาตย์นี้เป็นเวลาของดิรัี นี้เป็นเวลาของสาวกเดรธีภิกษุทั้งหลายความเป็นอัริยะไม่เคยปรากฏสประการนี้มีอยู่ในอานน์ความเป็นอริยะไม่เคยปรากฏสประการอะไรบ้างคือ 1. ถ้าภิษุบริษัทเข้าพบอานน์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอาณ น, น์แสดงธรรมในภิษุบริษัทนั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีภิกษุบริษัท ยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออานล์หยุดแสดง 2. ถ้าภิกษุณีบริษัทเข้าพบอาน o ์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอาน o n แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีภิกษุณีบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออาน o n หยุดแสดง 3. ถ้าอุบาสกบริษัทเข้าพบอาน o ์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดี ถ้าอาน o n แสดงธรรมในอุบาสกบริษัทนั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีอุบาสกบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออาน o n หยุดแสดง 4. ถ้าอุบาสิกาบริษัทเข้าพบอาน o ์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอาน o n แสดงธรรมในอุบาสิกาบริษัทนั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีอุบาสิกาบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออาน o หยุดแสดงภิกษุทั้งหลาย ความเป็นอัริยะไม่เคยปรากฏสีประการนี้แลมีอยู่ในอนุนภิกษุทั้งหลายความเป็นอัริยะไม่เคยปรากฏสีประการนี้มีอยู่ในพระเจ้าจกักรพรรดิ ความเป็นอัฉริยะไม่เคยปรากฏสีประการอะไรบ้างคือ 1. ถ้าคติยาบริษัทเข้าเฝ้าพระเจ้าจากักรพรรดิแม้เพียงได้เข้าเฝ้าก็มีใจยินดีถ้าพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระราชปฏิสันฐานในคติยะบริษัทนั้นแม้เพียงมีพระราชปฏิสันถานก็มีใจยินดีคัติยาบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิทรงนิ่ง 2. ถ้าพราหมเนืบริษัทเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแม้เพียงได้เข้าเฝ้าก็มีใจยินดีถ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราชปฏิสันถานในพราหมณนืบริษัทนั้นแม้เพียงมีพระราชปฏิสันถานก็มีใจยินดีพราหมณนืบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงนิ่ง 3. ถ้าขหาบดีบริษัทเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแม้เพียงได้เข้าเฝ้าก็มีใจยินดี ถ้าพระเจ้าจัากรพรรดิมีพระราชปฏิสันถานในข้าบดีบริษัทนั้นแม้เพียงมีพระราชปฏิสันถานก็มีใจยินดีข้าบดีบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงนิ่ง 4. ถ้าสมณบริษัทเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแม้เพียงได้เข้าเฝ้าก็มีใจยินดีถ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีพระราชปฏิสันถานในสมณบริษัทนั้น แม้เพียงมีพระราชปฏิสันฐานก็มีใจยินดีสมณบุริสัตยังไม่เต็มอิ่มเมื่อพระเจ้าจากักรพรรดิทรงนิ่งชั้นใดภิกษุทั้งหลายความเป็นอัจฉริยะไม่เคยปรากฏสประการนี่แลมีอยู่ในพระเจ้าจากักรพรรดิภิกษุทั้งหลายความเป็นอัจฉริยะไม่เคยปรากฏสประการข้อฉันนั้นเหมือนกันมีอยู่ในอานนุ์ ความเป็นอริยะไม่เคยปรากฏสประการอะไรบ้างคือ 1. ถ้าภิกษุบริษัทเข้าพบอาน o แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอาน o แสดงธรรมในภิกษุบริษัทนั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีภิกษุบริษัทยังไม่เต็มอิม่มเมื่ออาน o หยุดแสดง 2. ถ้าภิกษุณีบริษัทเข้าพบอาน o แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอาน o ์แสดงธรรมในภิกษุณีบริษัทนั้น แม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีภิกษุนีบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออาโน์หยุดแสดง 3. ถ้าอุบาสกบริษัทเข้าพบอานน์แม้เพียงได้พบก็มีใจยินดีถ้าอาโน์แสดงธรรมในอุบาสกบริษัทนั้นแม้เพียงแสดงธรรมก็มีใจยินดีอุบาสกบริษัทยังไม่เต็มอิ่มเมื่ออานน์หยุดแสดง 4. ถ้าอุบาสิกาบริษัทเข้าพบอานน์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 ทรงแสดงมหาสุทัศนสูตรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอ น, นุ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอย่าได้ปรินิพพานในเมืองเล็กเมืองดอนเมืองกิ่งเช่นนี้เมืองใหญ่เหล่าอื่นยังมีอยู่เช่นกรุงจำปากรุงราชครกรุงสาวถีเมืองสาเกตกรุงโกสัมพี กรุงพาราณสีขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในเมืองเหล่านี้เถิดคติยะมหาศาลพรามณ์มหาศาลขหาดียมหาศาลผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระตถาคตมีอยู่มากในเมืองเหล่านั้นท่านเหล่านั้นจะทำการบูชาพระสรีระของพระตถาคตพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นว่า กุศินาราเป็นเมืองเล็กเมืองดอนเมืองกิ่งอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วได้มีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัศนะผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอาณาจาักรมั่นคงสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการกรุงกุชินารานี้มีนามว่ากรุงกุสาวดี ได้เป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทัศนะด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยาวส2องโยธ ด, ด้านทิศเหนือและทิศใต้กว้างเจ็ดโยธกรุงกุสาวดีเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรืองมีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นเศรษฐกิจดีเหมือนกับกรุงอาลกะมันทาซึ่งเป็นราชธานีของทวยเทพที่เจริญรุ่งเรืองมีประชากรมาก มียากหนาแน่นเศรษฐกิจดีอาโนนกรุงกุสาวดีเป็นราชธานีที่อื้กระถุกครึกโครมเพราะเสียงสิบชนิดทั้งวันทั้งคืนได้แก่เสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกลางสดานเสียงประโคมดนตรีและเสียงว่าท่านทั้งหลายโปรดบริโภคดื่มเคี้ยวกิน ไปเถิดอานน์เธอจงเข้าไปกรุงกุสินาราแจ้งแกเจ้ามัละทั้งหลายผู้ครองกรุงกุสินาราว่าว่าเศรษฐะทั้งหลายพระตถาคตจะปรินิพานในปัชิมยามแห่งราตรีวันนี้ท่านทั้งหลายจงรีบออกไปจงรีบออกไปจะได้ไม่เสียใจในภายหลังว่าพระตถาคตปรินิพานในเขตบ้านเมืองของพวกเราพวกเรา กลับไม่ได้เฝ้าพระตถาคตเป็นครั้งสุดท้ายท่านพระอานนทุนรับสนองพระดำรัสแล้วครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังกรุงกุสินาราเพียงผู้เดียว